วัดนี้จะแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปนิยะแห่งคําอาราธนากรรมฐานที่ท่านทั้งหลายได้กล่าวมาเป็นประจํานั้นได้เก็บข้อความที่เป็นธรรมะทั้งเป็นกลุ่มของกิเลสทั้งเป็นกลุ่มของกุศลธรรม และทั้งเป็นกลุ่มผลซึ่งเกิดขึ้นจากการประพฤติปฏิบัติเอาไว้อันแสดงถึงจุดมุ่งหมายในการปฏิบัติธรรมะทางพระพุทธศาสนาว่ามีจุดหมา ย, ยที่การสามารถขจัดพวกกลุ่มกิเลสออกไปโดยลำดับจนถึงจิตหลุดพ้นจากอำนาจของกิเลสในระดับนั้นๆจนถึงระดับที่สมบูรณ์เต็มที่ มันเป็นเป้าหมายสูงสุดในทางปรัชญาศาสนาในบทความอาราธนากรรมฐานที่ขึ้นต้นด้วยคําว่าข้าขอทิ่ฐานต่อพระทรงญาณผูชนะมารห่างพระทรงญาณ น, นั้นหมายถึงองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าที่ทรงประกอบด้วยพยานคือความรู้ที่เกิดผุดขึ้นภายในประไทัยของพระองค์ หลังจากพระองค์ได้ประพฤติปฏิบัติผ่านขั้นตอนมาโดยลำดับจนพระไทยในขณะนั้นอยู่ในสภาพที่เรียกว่าตั้งมั่นไม่หวั่นไหวเป็นสมาธิไม่มีกิเลสปราศจากกิเลสเป็นจิตอ่อนโยนพร้อมที่จะน้อมไปเพื่อรู้ถึงสิ่งที่เคยสร้างความคับคล้องใจ แก่พระองค์มาในอดีตและเมื่อบาเพญ็ญต่อไปพระาญาณก็เกิดผุดขึ้นโดยลาดับคำว่าพระาญาณเป็นความรู้ระดับที่ต้องอาศัยผลจากการประพฤติปฏิบัติซึ่งเมื่อล่าวโดยสรุปก็คือปฏิบัติตามหลักของศีลสมาธิปัญญาในอริมัชมีองค์แปดประการที่ จำทรงกันแพร่หลายนั่นเองท่านจำแนกออาไปเป็นกลุ่มของศีลสมถิปัญญาโดยการเกาะกลุ่มกันการปฏิบัติที่จะออกผลมาเป็นญาณได้ก็ต่อเมื่อมักทั้ง8ประการนั้นได้รับการประพฤติปฏิบัติถูกต้องสมบูรณ์และเป็ น, นันเด็ก เ, เดียวกันสิ่งที่เรียกว่าสมายาณนะ คือความรู้ในทางที่ชอบก็จะเกิดผุดขึ้นภายในจิตใจของผู้ปฏิบัติแต่จถามว่าความรู้นั้นเป็นความรู้เรื่องอะไรตอบว่าเป็นความรู้ถึงความจริงที่แท้จริงของอริยสัจทั้งสี่ประการที่ย่านั้นจะเกิดเป็นสามช่วงคือสามจังหวะด้วยกันช่วงแรกเกิดขึ้น เป็นการรู้ความจริงตามสภาพของอริยสัจถึงเข้าใจว่าอริยสัจนั้นเป็นกฎธรรมชาติธรรมดาที่มีอยู่ในโลกพระพุทธเจ้าจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นกฎเกียออริยสัจนั้นก็คงมีอยู่อย่างนั้นพระพุทธเจ้าเป็นเพียงได้จัศร้กฎล่านั้นแต่มองในเชิงเหตุเชิงผล ได้ครบวงจรของอริยสัจทั้งสี่รปกันพยานข้อแรกเรียกว่าสัจญานรู้ความจริงว่านี่เป็นทุกข์นี่เป็นเหตุเกิดแห่งทุกข์นี่เป็นความดับทุกข์นี่เป็นข้อปฏิบัติให้ถึงซึ่งความดับทุกข์แต่เพิงสังเกตว่าความรู้ในระดับนี้บางครั้งอาจจะสายปริยัติ การศึกษาเรียนรู้ทรงจำก็ท่องได้ก็ว่าได้สามารถจำแนกอธิบายได้ว่าทุกนั้นก็คือสิ่งที่เรียกว่าความเกิดความแก่ความตายอันเป็นสภาวะทุกข์เป็นคราบเป็นความทุกข์ที่ครอบคลุมสรรพสัตว์ทั้งหลายในโลกเอาไว้ ไม่ว่าจะอยู่ในสถานะอะไรก็ตามศาสตร์เล่านั้นก็ตกอยู่ในกฎของเกิดแก่ตายมาเกิดมาแล้วจะต้องแก่ตายในระหว่างช่วงเกิดถึงช่วงตายนั้นศาตร์เหล่านั้นก็จะประสบความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากความยึดมั่นถือมั่นของตัวเองเป็นอนเนกกรประการอย่าที่ทรงจะได้แสดงไว้ในทุกขศัพท์ที่เป็นสู่สากล และเป็นผลถึงบุคคลแต่ละคนก็ได้สัมผัสกันในชีวิตประจำวันนั่นคือความสุขความรํำไรรำพันธความทุกข์ความเสียใจความคัดแค้นใจการต้องการจะได้อะไรแล้วไม่ได้ตามต้องการหรือว่าสิ่งที่ตนไม่ต้องการได้บังเกิดขึ้นแก่นนตนการต้องพัดพรากจากคนสัตว์อันเป็นทิรักการต้องเกี่ยวข้องกับคนที่เราไม่ชอบ ต่เราตึงอาการที่เกิดความคับข้องใจหรือครับแค็นใจเป็นอาการสะสมหมักหมมของความรู้สึกโทมนัสผิดหวังด้วยประการต่างๆบ่อยเข้าบ่อยเข้าก็มีการเก็บไว้ภายในใจก็กลายเป็นอุปายาตที่เปรียบว่าคมความคับแค็นใจลักษณะเหล่านี้ที่จริงแล้วมันก็เกิดขึ้นจากจิตที่ยึดมั่นถือมั่น ในสิ่งเหล่านั้นโดยเชื่อมโยงตนกับสิ่งเหล่านั้นหรือเชื่อมโยงสิ่งเหล่านั้นกับตนถือว่ากันตามความจริงแล้วปัจจัยให้เกิดความโสกความรัไรัยรำพันเป็นต้นนั้นเป็นสิ่งที่มีอยู่ก่อนเป็นอยู่ก่อนเช่นเดียวกันคือพระพุทธเจ้าจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นสิ่งเหล่านั้นก็จะเป็นอยู่อย่างนั้น และในชีวิตของบุคคล น, นั้นได้ยินได้ฟังเรื่องที่เป็นที่ตั้งแห่งความโสความร่ไรร่ำพันอยู่เป็นจำนวนมากแต่เพิ่งสังเกตว่าสิ่งเหล่านั้นไม่ใช่เป็นที่ตั้งของความโสความร่ไรร่ำพันเสมอไปและแก่คนทุกคนปนัญหาสาคัญอยู่ที่ใจบุคคลกําหนดสถานะของสิ่งเหล่านั้นไว้ว่าอย่างไรคือเกี่ยวข้องกับตนหรือไม่ หรือแม้จะเกี่ยวข้องกับตนเกี่ยวข้องในฐานะอะไรก็ขึ้นอยู่กับการที่ใจของบุคคลไปกําหนดในกรณีนั้นๆั้อย่างการพลาดพลาดสูญเสียที่เกิดขึ้นในชีวิตของบุคคลนั้นที่จริงแล้วคนเราแต่ละคนก็มีการพลาดพลาดสูญเสียอยู่ทุกขณะแม้แต่ลมหายใจเข้าออกที่เราหายใจเข้าหายใจออกอยู่ก็เป็นการได้การเสียเป็นการพลาดพลากสูญเสียแล้วก็เป็นการได้มา หายใจเข้าก็เป็นได้หายใจออกก็เป็นเสียซึ่งแสดงอาการพรากสูญเสียมันก็มีอยู่ทุกขณะเพียงแต่ว่าจิตใจของบุคคลไม่ได้กําหนดเรียนรู้จากความจริงเหล่านั้นเท่า น, นั้นเองและที่สําคัญอย่างยิ่งก็คือความกระหน่ำเพลินยินดีในลมหายใจเข้าออกมันก็ไม่ได้มีเป็นหลักเป็นฐานอะไรเท่าไร่เพราะเป็นเรื่องปกติธรรมดาของชีวิต แต่พอจิตไปกำหนดหมายวัตถุหรือบุคคลหรือสิ่งของว่าเป็นของของเราแต่จะต้องเป็นการกำหนดด้วยความรักความปรารถนาความพอใจก็ต้องการให้สิ่งเหล่านั้นเป็นอย่างที่มันเป็นคืออยู่อย่างที่มันอยู่ไม่ต้องการใ้เกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้นแก่สิ่งเหล่านั้นซึ่เพื่นสังเกตว่าความปรารถนาเหล่านั้นเป็นความปรารถนาที่เกิดขึ้นจากโมหะ คือปฏิเสธความจริงที่เขามีอยู่ก่อนแล้วอย่างนั้นแต่ใจเราไปกาหนดเริ่มหน้าของโลภะเกิดจากแรงผลักดันของโมหะคือความหลงไม่รู้เหตุรู้ผลในสิ่งเดีนั้นเพราะการพละดพลาดสูญเสียที่จริงมันเป็นธรรมดาของมันแต่เพราะใจไม่รู้เท่าทันถึงธรรมดาของจริงเดียดนั้นความสร้โศกราไรนำผ่านก็บังเกิดขึ้น แต่การที่จะเกิดความสุขกำไรรำพันธ์ก็อีกแหละคือจะต้องอาศัยใจไปกำหนดว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นของเราในรูปหน้าใคร่หน้าปรารถนาน่าพอใจในขณะเดียวกันบางอย่างบางคนบางสิ่งที่เกี่ยวข้องกับเราเหมือนกันแต่เกี่ยวข้องกับเราในฐานะที่เราไม่ชอบไม่ต้องการปรารถนาก็เสื่อมไปแตกทําลายไปสูญหายไปหรือหักแตกไป ซึ่งก็เป็นธรรมดาของเขาอีกเช่นเดียวกันแต่เราจะเกิดความชื่นชมดีใจในการพิบัติการแตกทําลายของสิ่งเหล่านั้นลนักษณะของจิตที่เป็นเช่นนี้ก็เกิดขึ้นมาทั้งโทสะและก็ทั้งโมหะตอนนี้เป็นเพราะอะไรเพราะว่าสิ่งเหล่านั้นเขาเป็นไปตามธรรมดาของเขา แต่การที่เราใจเข้าไปบวกเข้าเกิดความชื่นชมยินดีในการแตกทําลายการเสียหายหรือการล้มตายกังสิ่งเต่านั้นเป็นการการทําให้คุณภาพจิตตตกต่ําไปโดยไม่เกิดประโยชน์อะไรและในขณะเดียวกันแม้เราจะดีใจสิ่งเหล่านั้นก็แตกเท่าที่แตกทําลายเท่าที่ทําลายไม่ใช่พอเราดีใจแล้วจะเพิ่มความสุญเสียมากขึ้นก็ปร่าสิ่งเหล่านั้นก็คงเป็นเท่านั้นคือแตกทําลายเท่านั้นแต่ความสุญเสียกลับมาเกิดที่เรา คือสุขภาพจิตเราเสื่อมไปตกต่ำไปและเก็บสะสมสิ่งไม่ดีไม่งามเหล่านั้นเอาไว้ภายในใจในลักษณะคล้ายๆกับคำไทยที่เราเรียกว่าหารเรื่องหรือเรื่องนำความเดือดร้อนมาสู่ใจตัวเองโดยไม่เกิดประโยชน์อะไรคิดมาลักษณะเหล่านี้เป็นอาการของความทุกข์ซึ่งเกิดขึ้นจากจิตที่ไปยึดมั่นถือมั่นลักษณะของความยึดมั่นถือมั่นนั้น เมื่อกล่าวโดยสรุปแล้วก็จะมีการจําแนกแสดงออกไปเป็นสองกลุ่มแต่ละกลุ่มนั้นก็เป็นอาการของกิเลสด้วยกันกลุ่มแรกที่เรียกว่าตันหามานติจินั้นเป็นกลุ่มที่ยึดมั่นถือมั่นโดยสรุปในกรณีใดที่เรายึดมั่นโดยอํานาจของตันหาว่าเป็นของเราแต่พิ่งสังเกตในตันหาเองก็มีความสลับซับซ้อนอยู่ในความเป็นตันหา คือมันมีทั้งการมตัณหาภวะตัณหาและวิภวะตัณหาการมตัณหานั้นมีลักษณะว่าการมตัณหากับภวะตัณหานั้นมีลักษณะว่าเอามาไว้แล้วก็อุ้มไว้แล้วก็ผูกพันไว้กับตัวเองคือมีความรู้สึกไม่ต้องการให้สิ่งเหล่านั้นพลัดพรากจากไปแต่วิภวะตัณหานั้นเป็นความรู้สึกปฏิเสธคือเป็นความรู้สึกที่ต้องการจะขจัดทำลายผลักสิ่งเหล่านั้นออกไป เมื่อสะดุดเป็นอาการก็คืออาการของความโลภ ก, กับความโกรธที่มีอยู่ภายในจิตใจของบุคคลแต่ว่าทําไปฏิิรยาต่อจิตที่ค่อนข้างแรงคือก่ให้จิตดิ้นพลันที่จะใช้คำว่าทะเยอทะยานคือดิ้นรนทะเยอทะยานต้องการได้อย่างรุนแรงต้องการเป็นอย่างรุนแรงต้องการให้พัดพรากแตกทําลายไปอย่างรุนแรงสร้างความกระทบกระเทือนต่อจิตตพรางั้นการดูตัณหามันก็ดูง่ายก็ดูกิเลสบางประเภท เพราะกิเลสบางประเภทค่อนข้างจะดูยากเช่นสมม ต, ติว่าในนิวรณ์ข้อแรกก็คือกามาชันบางครั้งเป็นความละเมียดละไมเป็นสุนทรียภาพมีความบันเทิงใจมีความสงบมีความเพลิดเพลิน เช่นในความดนตรีที่ไพเราะและมีความเพลิดเพลินดูงานศินละปะแล้วมีความจิตใจพอใจในสิ่งเหล่านั้นเดินวนอยู่ในสถานที่ในพิพิธภัณฑ์ในแสดงการแสดงดิทัศนการต่างๆนี่เป็นอันมากดูแลใกล้ๆจะไม่ใช่เป็นกิเลสแต่พึงสังเกตว่าเป็นเหตุได้เกิดความกำหนัดพอใจรักใคร่ในสิ่งเหล่านั้นชื่นชมกับสิ่งเหล่านั้นจนถึงก็อยากได้สิ่งเหล่านั้น แต่บางครั้งบางคราวถ้าหากว่าอำนาจการซื้อมีมากพอก็อาจจะซื้อหาสิ่งเหียวกันมาเป็นของตนเพราะเวลเาก็ออกมาแรงๆแต่นั่นเองคุณสังเกตได้แต่บางระดับเป็นความรู้สึกที่ค่อนไปทางระเมียดทำไมเพราะไรเพราะฉันทานั้นบางครั้งก็อยู่ในรูปของกุศลเช่นฉันทาในอิทธิบาททางศระการก็เป็นรูปของกุศลก็เป็นเรื่องของความพอใจชอบใจเหมือนกันแต่ว่า ฉันท่าในจุดนั้นจะมีวิมังสาคุมไว้คือเป็นชั้นท่าที่เกิดขึ้นจากปัญญาสดสองพินิษฐ์พิจารณามองเห็นคุณค่ามองเห็นประโยชน์ของสิ่งเหล่านั้นเะก่อนแล้วจึงเกิดชั้นทะคือความพอใจในลักษณะของการมัฉา น, นั้นจะเป็นความเยื่อใยความินเนหาความสยบติดอยู่ในสิ่งเหล่านั้นเพียงแต่ค่อนไปทางระเมศติไม่ในบางอารมณ์ทําให้เราแยก จิตว่าเป็นกิเลสหรือว่าเป็นธรรมะไม่เคยออกในขณะนั้นแต่การก้องกรรมฉันนั้นจะเป็นอาการที่เด่นชัดเพราะจิตจะสั้นไปในอารมณ์ต่างๆแหว่งไปในอารมณ์ทั้งหลายแล้วก็พร้อมที่จะเวี่ยงกลับไปอีกด้านหนึ่งเช่นสมบติเราต้องการปรารถนาสิ่งใดสิ่งหนึ่งเมื่อจิตเกิดกําหนดด้วยความพอใจในสิ่งนั้นและก็มีความรู้สึกอยากได้ในสิ่งนั้น ถ้ามีการตอบสนองก็จะเกิดความกระหน่ดเพลินในสิ่งเหล่านั้นมากยิ่งขึ้นเราต้องการจะให้สิ่งเหล่านั้นดำรงอยู่กับตนอยู่ตลอดไปซึ่งเราจะเห็นว่าเป็นอาการของโลภะด้วยเป็นอาการของโมหะด้วยการปรารถนาจะได้มาซึ่งสิ่งเหล่านั้นก็เป็นอาการของโลภะแต่การที่ต้องการให้สิ่งเหล่านั้นดำรงอยู่ตลอดไปก็เป็นอาการของโมหะ เพราะไรเพราะว่าสิ่งทั้งหลายนั้นเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยของเขาไม่มีอะไรที่ดำรงอยู่ได้ตลอดไปพอใจไปกำหนดอย่างนั้นมันก็เกิดเป็นอาการขอกิเลสสองตัวขึ้นมาแต่ในขณะเดียวกันนั้นเองถ้าหากว่าเกิดไม่เป็นไปตามที่ตัวต้องการคือ ต, ตัวต้องการจะได้แล้วมีใครมาขัดขวางตัดรอดหรือแย่งไปหรือตัดหน้าไป จิตมิจะเวียงกลับเป็นความโทมนัสคือเสียใจเสียใจพอเสียใจมากขึ้นมันก็กลายเป็นโทสั่ก็แกว่งไปเป็นสู่กิเลตอีกภาคหนึ่งลักษณะคล้ายๆลกับเข็มเครื่องวัดมิเตอร์อะไรต่างต่างเราจะเห็นว่าขึ้นอยู่กับน้ําหนักในแต่ละอย่างที่เราวางเอาไว้แล้วเข็มน้ําก็แกว่งไปเรื่อยๆตามน้ําหนักที่วางอยู่ในเครื่องช่างเหล่านั้น จิตใจของบุคคลก็มีลักษณะเช่นเดียวกันก็พร้อมที่จะแกล้งไปแต่ในจุดนั้นเองถ้าหากว่ามันเกิดปัญญาขึ้นมาพิจารณาสดสองถึงความจริงทําใจรู้ทันถึงสิ่งที่ปรารถนาที่เราถ้าได้ก็ดีแต่ไม่ได้ก็แล้วไปเราก็อย่างอื่นซะก็ได้คือหมายความว่ามีความปรารถนาพอใจยินดีนั่นเองแต่ ปัญญาได้ควบคุมเอาไว้แล้วก็มีลักษณะรู้เท่าทันสมมุติว่าต้องการจะได้แล้วเกิดไม่ได้พอทําใจได้ก็ปรองใจได้ก็พร้อมที่จะไปสแสวงหาอย่างอื่นต่อไปเวลาวิเกี่ยวข้องอารมณ์เราอื่นก็จะมีความคิดในลนักษณะนั้นคือเตรียมไว้ทั้งสมหวังและทั้งผิดหวังแต่ในขณะที่สมหวังก็เตรียมใจเอาไว้ว่าสิ่งเหล่านี้ก็จะดํารงอยู่กับเราไม่ได้ตลอดไป จะต้องมีการแตกมีการทำลายมีการสูญหายมีเป็นอันตรายไปในการดูแล ร, รักษาก็ทำหน้าที่ของตนไปแต่ว่าจุดที่แตกทำลายหรือสูญหายของสิ่งเหล่านั้นจะต้องเกิดขึ้นอย่างช้าก็ตอนตายที่คือตายจากกันเพราะปัญญาก็เข้ากากับควบคุมแต่ที่จริงก็ยังมีกิเลสอยู่ไม่ใช่ไม่มีกิเลสเพียงแต่ว่าปริมาณความเข้มข้นของกิเลสไม่มากเกินไป แต่ปัญญาก็มีกําลังที่จะคุมทิศทางของกิเลสเหล่านั้นเอาไว้อาการของตัณหาที่ปรากฏจึงไม่ถึงกับออกมาในรูปที่ทําให้บุคคลไปประพฤติกรรมในทางที่ทุจริตจนผิดกฎหมายบ้างผิดศีลธรรมบ้างเป็นการเปลี่ยนตนเองบ้างเปเบีบ่ยนบุคคลอื่นบ้างแต่ภายในใจก็คงมีตัณหาอยู่ดั่นแหละเพราะอะไรเพราะว่าตัณหาเป็นเรื่องที่ เป็นเหตุให้มนุษย์เกิดมาฝังก ก, ก็ติดอยู่ภายในใจของบุคคลการปฏิบัติก็มุ่งที่จะให้เกิดการจางไปกลายไปของตานาเหล่านั้นในลักษณะของวิปวัตนาหาก็มีลักษณะเช่นเดียวกันโดยการดิ้นของจิตนั้นจะมองไปในรูปของการปฏิเสธรุนแรงซึ่งถ้าหากว่าเป็นไปตามที่ตนต้องการก็เกิดโสมนัสดีใจยินดี แต่ถ้าหากว่าไม่เป็นไปาตามตีตนต้องการก็จะเกิดความโธปนัส จ, จิตใจจากข้อนี้ท่าทนสาธุชนทั้งหลายจะเห็นว่ามันก็เหมือนกับอาการของกิเลสที่กล่าวไว้ในตอนต้นคือประเภทกรารมาติหากับภวัตานานั้นก็เป็นอาการของโลภะวิภาวะตนานั้นก็เป็นอาการของโทสะแต่ทั้งสองประการนั้นทั้งสองกลุ่มนั้นแม้จะเรียกชื่อแตกต่างกัน แต่จริงแล้วก็เป็นกิเลสประเภทเดียวกันเพียงแต่อาการคือความเข้มข้นมันแตกต่างกันเท่านั้นเองซึ่งแต่ละอย่างก็เกิดขึ้นมาจากโมหะด้วยกันทั้งนั้นโมหะเป็นสิ่งที่มีที่ผลอยู่เบื้องหลังของความโลภของความโกรธของกามตัณหาของภาวะตัณหาและของวิภวะตัณหาลักษณะเหล่านี้ที่จริงแล้วถ้าหากว่าปัญญาเกิดขึ้นควบคุมจิตใจตัวเองได้ในระดับหนึ่ง ของพระพุทธเจ้านั้นเป็นญาณที่สมบูรณ์ก็หมายความว่ามาตรานามันหมดไปแล้วแต่เรามองในระดับของปัญญาที่เกิดขึ้นหรือญาณที่เกิดขึ้นระดับหนึ่งที่มีกำลังมากพอจะควบคุมความรู้สึกนึกคิดเหล่านั้นเอาไว้ได้บุคคลสามารถหยุดตัวเองได้ควบคุมใจตัวเองได้หากข้ามใจตัวเองได้ตามสมควรแก่กรณีนั้นๆแต่มีก็อแม้ว่า จริงเราดังจะต้องไม่รุนแรงเกินไปเพราะอะไรเพราะในขณะนั้นกําลังคือกุศลธรรมที่มีอยู่ภายในใจเราก็ไม่ได้มีกระปังมากมายนะักมันสามารถแก้ปัญหาได้ระดับหนึ่งแต่ถึงระดับหนงอาจจะแก้ไม่ได้ได้ก็โรคภัยไข้เจ็บพอประมาณมาอาจจะใส่การพักผ่อนการรับประทานยาไม่กี่มเมล็ดก็จะหายไปได้แต่ถ้าโรคไปยรนแรงเกินไปก็ต้องใช้วิธีการอย่างอื่นเช่นเข้ารักษาตํารงพยาบาลเป็นต้น ลักษณะของจิตที่มีตัณหานุสัยคือตัณหาเ็าอยู่ภายในจิตเนี่ยบางอย่างไม่จำเป็นจะต้องมีสิ่งข้างนอกมากระตุ้นก็ได้แต่ตัณหาก็เกิดขึ้นมาได้เพราะดเพราะภายในจิตของคนนั้นทน่านเรียกว่ามีเชื้อใช้คำว่ารามธาตุคือกรมธาตุนี้มีทุกธาตุบางครั้งจะใช้คำโดยสรุปว่าอธรรมธาตุธรรมธาตุ แมาความวาเชื่อของกุศลกับเชื้อของอกุศลก็มีอยู่ภายในใจด้วยกันในตัวเชื้อนั้นเฉพาะสายของอกุศลแล้วก็ออกมาในกลุ่มที่มีธาตุอยู่ก่อนคือธาตุใดธาตหนึ่งโทสะธาตุกามธาตุโมหธาตุอะไรก็ตามมันมีเชื้อถ้าไม่มีเชื้อแล้วมันจะเพิ่มพูนขึ้นมาไม่ได้คล้ายๆก็ต้นพืชนั้นจะเจริญเติบโตขึ้นมาไม่ได้เลยถ้าหากว่าไม่มีมเมล็ดพืชอยู่แต่จริงตัวมเมล็ดมันก็มีนิดเดียว เพียงแต่ได้เหตุปัจจัยส่งเสริมสนับสนุนขึ้นไปเรื่อยๆมันก็กลายเป็นต้นพืชขึ้นมาได้กิเลสเองก็มีลักษณะอย่างนั้นที่จริงๆมันก็มีธาตุอยู่ภายในใจซึ่งก็ไม่ได้มากมายอะไรนักหนาสำหรับคนบางคนแต่บางคนก็อาจจะมากหน่อยที่แสดงออกมาเป็นรูปลักษณะนิสัยพื้นเพอัตยาศัยของบุคคลคือแสดงว่าธาตุแต่ละธาตุของบุคคลนั้นไม่เหมือนกันในความยกตัวอย่างคําว่าการพัธาคือมีเชื่อขอความใคร่อยู่ภายในใจ มันก็จะเกิดความรู้สึกอย่างหนึ่งที่เรียกว่าการสัญญาคือการกําหนดหมายคุณค่าของสิ่งเหล่านั้นว่าน่าใคร่น่าปรารถนาน่าพอใจเวลาสัมผัสกับอารมณ์ทางประสาทสัมผัสคือด้วยการเห็นเป็นต้นใจก็จะกําหนดสิ่งเหล่านั้นว่าน่าใคร่น่าปรารถนาน่าพอใจเอาไว้การกําหนดนั้นได้ผ่านไปแล้วสิ่งเหล่านั้นได้ผ่านไปแล้วอายุเราก็ได้ผ่านไปแล้ว แต่เชื่อของจิตที่กาหนดหมายอารมณ์นั้นยังตกค้างอยู่ภายในจิตมีการมาสัญญาคือกาหนดว่าน่าใคร่น่าปรารถนาน่าพอใจคราวนี้ท่านสาธารชนทั้งหลายอาจจะย้อนกลับไปในสิ่งที่เราชอบใจสมัยที่เป็นเด็กๆที่จริงสิ่งเหล่านั้นไปอยู่ที่ไหนแล้วก็ไม่รู้เป็นอากาศสถานไปแล้วอายุเราก็ร่วมการผ่านวัยมามากแล้วแต่เชื่อความพอใจในสิ่งเหล่านั้นก็ยังมีอยู่ บางครั้งเราก็นำมาเหนียวนึกนำมาตรึกนึกเกิดความกำนัดความเพลิดเพลินยินดีในสิ่งนั้นลักษณะาาการเหนี่ยวใน ก, การตรึกนึกนั้นที่จริงเป็นการประรบอารมณ์อดีตคือเรื่องเก่าๆามากๆแต่ท่านก็เรียกว่าเป็นกามฉันทะคือเกิดความพอใจความชอบใจในสิ่งเหล่านั้นโดยอาศัยอะไรอาศัยกามสังกปะคือความดำริด้วยอำนาจของความใคร่ แต่การดำริดก็จะมีทั้งสองสายคือใครหรือไม่ใครอพอใจหรือไม่พอใจแม้จะเป็นเรื่องอดีตก็ตามเราก็ดำริดอยู่สองกระแสเรือง น, นี้ก็เกิดขึ้นอยู่ภายในใจพอดำริดมากๆเข้าความเปลี่ยนแปลงปริมาณของความรู้สึกใครปรารถนาพอใจก็จะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้ น, นอยู่เรื่อยๆถึงจุดหนึ่งใจก็จะร้อนด้วยแรงปรารถนาที่จะได้ที่จะมีที่จะเป็น ในสิ่งที่ตัวต้องการประการนั้นมันก็กลายเป็นการมาตัญหาคือจิตมันดิ้นรนด้วยอำนาจของความใคร่ในสิ่งที่ตัวใคร่ในตรงนี้ที่จรงยังอยู่ภายในจิตทั้งหมดเป็นอาการที่เรารู้ด้วยใจของเราเองว่าในขณะนั้นความคิดเราเป็นยังไงธรรมะปฏิบัติบางอย่างพระพุทธเจ้าก็สอนเฉพาะในช่วงของการดูที่จิตหรือแทนที่จะ ไปแก้ปัญหาเมื่อมันออกไปทางกายทางวิชาแล้วก็มาแก้ที่จิตก็ดูจิตในขณะนั้นๆอย่างในกรณีนี้เราจะเห็นได้ชัดว่าจิตนั้นได้เพิ่มปริมาณของกิเลสสูงขึ้นความเปลี่ยนแปลงทางจิตก็มีความเ ร, ร้อนมีความดิ้นรนกวัดแกวงมากยิ่งขึ้นความสงบที่เคยมีอยู่ก็เริ่มสูญเสียไปการทรงตัวของจิตก็เริ่มเปลี่ยนแปลงไปตาอวปัญญาเกิดขึ้นทันในขณะนั้น ก็จะมีการวินิจฉัยตัดสินในช่วงในช่วงหนึ่งก็ได้ในช่วงที่เป็นกรรมธาตุนั้นคงสาวลึกลงไปไม่ได้เพราะว่าเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมากแล้วก็การจะตัดขาดได้จริงๆก็ต้องเป็นระดับอริยมรรคไม่ใช่ว่าตัดขาดได้ในจิตใจของสาวมานชนแต่ว่าการกําหนดหมายนั้นเราสามารถที่จะหยุดได้ แม้จะมีเชื้ออยู่ภายในใจเจนสมมุติว่าเราเก็บความรักหรือความชอบใจในวตัตถุในบุคคลในสัตว์อะไรเอาไว้มันก็ไม่ได้เกิดขึ้นภายในใจเราตลอดเพียงแต่ว่าบางครั้งเราเกิดเป็นหิวนึกไปตึกนึกคิดมาอาจจะย้อนอดีตไปไกลสมัยเป็นเด็กหรือเป็นหนุ่มเป็นสาวอยู่เรื่องเหล่านั้นก็ผ่านมาทั้งนานแล้วมันก็เป็นการมธาตุนั้นแน่นอนคือเป็นเชื้ออยู่ภายในใจนแล้ว แต่ก็ก็ไม่ได้เกิดขึ้นกลุ้มรุมใจเราตลอดเกิดขึ้นกลุ้มรุมใจในตอนไหนตอนที่เริ่มไปกําหนดหมายว่าสิ่งนั้นน่าใคร่ยน่าปรารถนาน่าพอใจเจอก็ดําริใจก็ดึ ก, กดนึกเจอก็ดึกนึกความปริมาณของความพอใจก็สูงขึ้นสูงขึ้นในสุดความเปลี่ยนแปลงก็จะเห็นได้ชัดเจนคล้ายๆกับเราเอาสีประโยชน์ลงในน้ํา ในตอนหยดครั้งแรกมันก็ไม่ถึงกับเปลี่ยนแปลงอะไรมากถ้าจะสลายีก็ได้คือเพิ่มปริมาณน้ําลงไปก็สลายสีเหล่านั้นได้แต่ถ้าหยดลงไปเรื่อยๆน้ําจะเปลี่ยนแปลงความเข้มข้นตามสีเหล่านั้นขึ้นไปโดยลาดับพระมันสังเกตว่าบางครั้งรพระพุทธเจ้าอบรมทรงแสดงจิตว่าเหมือนกับสีเจนองจนทรงแสดงกรรมฉันคือจิตที่กรรม กำหนดอารมณ์ด้วยความใคร่ความปรารถนาความพอใจว่าเปรียบเหมือนน้าที่เจือด้วยสีสารพัดสีคือาปาปนวุ่นวายกันไปหมดการกาหนดการกําหนดหมายอารมณ์หน้าใคร่หน้าปรารถนาหน้าพอใจของบุคคลจึงมีลักษณะสับสนแม้แต่สิ่งเดียวกันเช่นวัตถุสิ่งของที่เราไปซื้อหาในตลาดที่ยิงของชนดิดเดียวกัน แต่บางทีเราก็ต้องการทั้งรูปทั้งสีทั้งขนาดของมันทองใจในเดียวกันอาจจะซื้อทั้งหลายขนาดอาจจะซื้อทั้งหลายสีนี่เป็นเพราะอะไรเพราะว่าใจเกิดไปกำหนดในตัวสีในตัวขนาดของสิ่งเหล่านั้นแต่ถ้ า, าว่าปัญญาเป็นเครื่องเปนนิพพิจาเกิดขึ้นมันก็มองเห็นว่ามันอยู่ที่สำเร็จประโยชน์ตาน อ, องใกล้ๆที่เขาพูดถึง คนเลี้ยงแมวเลี้ยงหมาไว้หลายตัวแต่แกก็เจาะรูเล็กบ้างรูใหญ่บ้างไว้หลายรูปัญามาม่เจาะไว้ทําไมบอกว่าเจาะให้หมามันออกให้แมวมันออกรูใหญ่เจาะทําไมเจาะให้หมามันออกหมาตัวโตรูเล็กเจาะไว้ทําไมเจาะให้แมวมันออกแมวตัวเล็กแล้วรูขนาดกลางก็แมวตัวโตก็เจาะไว้หลายรู นี่เราจะเห็นได้ว่าเป็นอาการของคนที่ไม่ได้มองในแง่ของความเป็นจริงเพราะถ้าเราเจาะรูเดียวรูโตทั้งตัวเล็กตัวใหญ่ผมก็ออกได้ทั้งหมดแต่ก็ต้องเกิดเจาะไปหลายรูโดยการมองไปขีดปงไว้ในตรงนั้นไวตัวนี้ตัวเล็กตัวนี้ตัวกลางตัวนี้ตัวใหญ่แต่จริงๆแล้วก็คือก็คือสัตว์ที่จะต้องออกไปตักช่องนั้นจากรูที่ตนเจาะไว้ไม่เจาะรูใหญ่มันก็จบ ตัวเลก็กออกได้ตัวกลางออกได้ตัวใหญ่ออกได้อาการของกิเลส ท, ที่เกิดขึ้นภายในใจิตใจคนที่จริงมันก็มีลักษณะอย่างนั้นคือกิเลสมันก็คือกิเลสนั่นเองเพียงแต่ว่าปริมาณของมันนั้นจะมากหรือน้อยเท่านั้นเองที่เกิดขึ้นในขณะนั้นๆั้นตามว่ากิเลส ท, ที่มีกําลังมากเราจะแก้ไขระดับหนึ่งไม่ได้เช่นว่าสมมติว่าในขณะนั้นอารมณ์รุนแรงเหลือเกิน เราจะมานั่งกรรมฐานเลยมันเป็นไปไม่ได้นั่งกรรมฐานก็กระสรับกระสายเราก็ต้องใช้วิธิอื่นที่จะแก้ไขปัญหาเห่านั้นผู้สังเกตว่าธรรมะที่ทรงจำแนกแสดงในการแก้ปัญหาภายในใจชิ้นเวลากระทบกระทั่งกระทั่งกับอารมณ์ต่างๆในรูปของชาวบ้านพระเจ้าจะสอนธรรมะไว้สองข้อข้อหนึ่งเป็นเรื่องของการเดี๋ยวนึกการตรึกนึกขึ้นภายในดังกล่าวแล้ว เราจุดนึกขึ้นมาเองเราเหนียวนึกขึ้นมาเองไม่มีใครเป็นตัวกระตุ้นไม่มีใครเป็นตัวทำให้เราจึกนึกขึ้นมาในช่วงนี้ก็ต้องใช้ปัญญาพิจาณามองเอห็นโทษของอาการเหนียวนึกจึกนึกในขณะนั้นว่ามีความเข้มข้นเพิ่มขึ้นมีความรุนแรงเพิ่มขึ้นโดยดําดับต่อแต่นี้ไปก็ขอให้ตั้งใจทำความสงบส่อ